พงพนาอย่ามาแขางกันจะไปให้ถึงฟังแสงตะวันนาทีแห่งนั้นที่มีผอมเราสดใสดอกไม้พีช ชีวิตถึงฟ้าลิกิจให้เราเป็นไปจะฝืนลมต้านพายอยู่ไรตราบชีพไหวก็ยังมั่นคงอรณงของคนแบกเพลง สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขอาสานะครับกลับมาพบกับผมรัฐพลดีอุดแบบนี้ทุกคืนวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 8 9 5สิบเมิเกนะครับกับเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมต่างๆในเกี่ยวกับงานอาสานะครับเราจะนํามาบอกต่อบอกเล่ารวมถึงนํามาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการสุขอาสาแห่งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นกันในช่วงแรกวันนี้กับเรื่องราวของคิดอาสานะครับวันนี้คิดอาสามี เรื่องราวหลายเรื่องราวที่นํามาฝากคุณผู้ฟังนะครับเรื่องราวแรกเป็นเรื่องราวของอําเภอบางกรวยนะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับกับในอำเภอบางกรวยที่ได้นำํำจิตอาสาเนี่ย ไปมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะครับโดยเมื่อวันที่20มิถุนายน2560นะครับนายวัชระเดชเกียรติชาโนนในอําเภอนายกิงกาชาติผู้อำนวยการศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานอําเภอบางกรวยจังหวัดนนท บ, บุรีพร้อมด้วยรองนายกเทศบาลตำบลสารากางกองสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสารากางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสารากางกํนานันผู้ใหญ่บ้านนะครับรวมถึงประชาชนจิตอาสาต่างๆในตําบลสารากางรวมถึงคณะ มาการกิ่งกรชาติอำเภอบางกรวยและอาส า, าพระราชทาน904วป ร, รเราทําความดีด้วยหัวใจมาร่วมกันลงพื้นที่ที่หมู่1และหมู่3ตําบุญสารากลางเพื่อดําเนินการมอบรถเข็นวิวแชร์ไม้เท้าสีขารวมถึงถุงยางชีพและยารักษาโรคให้กับผู้ป่วยติดเตียงคนชราผู้พิการและผู้ได้โอกาสทางสังคมจํานวนทั้งสิ้น11รายด้วยกันนะครับที่หมู่1ตําบุญสารากลางจํานวน10รายและหมู่ที่3ตําบุญสารากางอีกจํานวน7รายนะครับโดยนายวชระเดชเกียรติชานนนนาย อำเภอบางกรวยเก่าวนะครับว่าตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาได้ดำเนินโครงการคุนบางกรวยไม่ทอดทิ้งกันพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุผู้ร้โอกาสและผู้ป่วยติดเตียง นะฮะทุกๆเดือนประมาณ250คนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการทําหน้าที่บําบัดทุกบํารุงสุขของประชาชนโดยให้แนวอำเภอมันออกไปตรวจเยี่ยมดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเป็นประจําเพื่อรับทราบข้อมูลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับโดยประการสําคัญที่จะทําให้ประชาชนได้รู้ว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีทอดทิ้งหรือเพิกเฉยต่อการเอาใจใส่ดูแลประชาชนแต่อย่างใดและเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดนนทบุรีด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนน และนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนนท บ, บุรีซึ่งมีความห่วงใยครัวเรือนยากจนผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านผู้ป่วยติดเตียงอีกทั้งยังรับทราบความเป็นอยู่เพื่อเสริมสร้างขวัญกําลังใจต่อผู้สูงอายุนะครับผู้ได้โอกาสผู้ป่วยติดเตียงและญาติพี่น้องในพื้นที่จังหวัดนนท บ, บุรีให้ดํารงชีวิตต่อไปอย่างมีความหวังโดยได้มีการมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสและผู้ป่วยเพื่อให้เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับด้วยถุงยังชีพและสิ่งของเหล่านี้ก็ได้รับบริจา จากผู้ประกอบการและผู้มีอุปราคาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับไปต่อกันที่งานอาสาที่จังหวัดบึงกาฬนะครับในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้แนวคิดรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน ให้กับชุมชนนะครับโดยเมื่อวันที่20มิถุนายน2562ครับคุณผู้ฟังนายนิทัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาลเป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้แนวคิดรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินณ ห, หนองไซดอนพื้นที่หมู่ที่2ตําบลนานสะแบงอําเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาลโดยมีอาส า, าสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้เสิงแหวนหมู่บ้านนักเรียนและภาคีเครือข่ายภักส่วนจํานวน500คนในการนําก้าไม้จํานวน 2,000 ต้นปลูกในพื้นที่ สาธาธรรณะปะโยะดยนายพิรวัติเมคินผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมงกดาหารก่าวว่าการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงออกถึงความชงรักภักดีรวมถึงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมนินทร พระรามาธิบดี4รมหาวชิรลาลงกรพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและเพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าชุมชนหรือป่าสาธารณประโยชน์ด้วยนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวจากกาชาดจังหวัดอุตรดิตถในการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาติไทยหลักสูตรด้านบรนเทา ภายพิบัตินะครับโดยนายมานิอนตอันธรมาตนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาติไทยด้านการบรรเทาภัยพิบัติประจำปี2562ที่จังหวัดอุตรดิต์จัดขึ้นโดยสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิต์นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จิตอาสาเนี่ยได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องของภัยพิบัติการบรรเทาภัยพิบัติและสามารถนำข้อมู้ที่ได้รับเนี่ยไปวางแผนการดําเนินงานกับทีมในระดับ ต้นและสามารถปฏิบัติงานกับเครือข่ายจิตอาสาอื่นๆในการช่วยเหลือและแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องนะครับด้วยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมีจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการจํานวน120คนจากทั้ง9อำเภอเพร้อมมีทีมยกระดับจากสถานีกาชาติเทพรัชจากจังหวัดตากให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจสภากาชาติไทยด้านการบรรเทาทุกข์และบทบาทหน้าที่ของจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาติไทยด้านการบรรเทาทุกข์ ความรู้เรื่องภัยพิบตัติการประเมินความเสี่ยงการประเมินความเสียหายและความต้องการเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูบูรณาตลอดระบบฐานข้อมูลภัยพิบตัติและระบบภูมิสารสนเทศนะครับเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นต้นนะครับโดยผู้ที่เข้ารับการอบรมเป็นจิตอาสาจะได้เป็นอาสาสมัครสภ า, า, ากาชาดไทยด้วยอีกทางหนึ่งนะครับในการนี้ครับคุณผู้ฟังยังมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดกิ่งกาชาดอำเภอร่วมในโครงการ เพื่อดำเนินการตามหลักการของสภากาชาติไทย7ด้านได้แก่ด้านมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลในเอกภาพที่สามารถทำงานร่วมกับประเทศ ต, ต่างๆได้นะครับ ซึ่งสภากาชาติไทยพร้อมให้บริการทางการแพทย์นะครับทั้งการดูแลสุขภาพบรรเทาทุกผู้ประสบภัยการบริจาคโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนหรือการให้คำแนะนำต่างๆให้กับประชาชนให้กับประชาชนเนี่ยได้มีสุขภาพที่ดีนะครับรวมถึงสภากาชาติไทยเองก็เต็มใจให้บริการรวมถึงเป็นการกระจายความสุขให้แก่ผู้รับอีกด้วยครับ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 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th กลับมากับช่วงคนอาสาครับคนอาสาวันนี้ครับมีเรื่องราวของลุงวัย73ปีครับคุณฟังที่เดินเก็บขยะกลางถนนทุกวันนะครับโดยลุงบอกว่าอยากทำความดีเพื่อส่วนรวมเพื่อถวายในหลวงนะครับคุณฟังครับ คนณอาสาท่านนี้นั่นก็คือคุณนรง์บุญปังนะครับชายวัย73ปีนะครับที่อยู่บ้านเลขที่39ท13หมูห่1ตําบลทายแดงอําเภอระนองนะครับที่ออกเดินถือถุงดำนะครับเดินเก็บขยะทุกประเภทที่บริเวณเกาะกลางถนนระยะทางยาวประมาณ1กิโลเมตรนะครับโดยลุงได้เล่าให้ฟังนะครับว่าตัวเองมีอาชีพทําสวนยางทุกวันหลังจากเสร็จงานจากการกรีดยางที่สวนแล้วจะมาเดินที่ถนนเพื่อการเก็บขยะนะครับที่ถูกทิ้งจากรถที่สัญจรไปมา โดยลุงนาลงเองจะเก็บทุกอย่างเนื่องจากว่าขยะที่ถูกทิ้งเป็นตัวการที่สําคัญในการไปอุดตันท่อน้ํากลางถนนและเป็นสาเหตุทําให้เกิดน้ําท่วมผิวถนนทุกครั้งที่มีฝนตกนะครับทำแบบนี้มานานหลายปีแล้วจนมีบางคนที่เห็นลุงนาลงทํานะครับบอกว่าลุงนาลงเป็นคนบ้าหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่เดี๋ยวรถก็ชนตายซึ่ ง, งนาลงก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพราะคิดแต่เพียงว่าทําเพื่อส่วนรวมและทุกครั้งที่ลุงตั้งใจทําความดีถวายในหลวงทั้งในหลวงรชาชการที่9้าและในหลวง ราชการที่10ซึ่งนอกจากจะเก็บขยะแล้วลุงยังสมัครเป็นอาสากู้ภยัยมูลที่อรนองสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยวัย73ปีของลุงนะครับซึ่งวัยเ3ปีของลุงนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่ลุงจะตั้งใจทำความดีเพื่อถวายในหลวงโดยเมื่อลุงเก็บขยะเสร็จก็จะคัดแยกไว้ก่อนอย่างเช่นพลาสติกก็จะนําใส่ถุงดําเอาไปตั้งไว้ที่ส า, าลาริมทางเพราะช่วงเย็นจะมีเด็กนักเรียนมาเก็บเอาไปขายส่วนขยะอื่นๆที่ขายไม่ได้ลุงก็จะนําไปใส่ถังขยะนะครับด้านใน s า r a t e g y จันวีระชัยประหลัดจังหวัดละนองกล่าวนะครับว่าได้ผ่านมาเห็นลุงพอดีเลยลงมาสอบถามทักทายซึ่งก่อนหน้านี้เคยได้ยินเรื่องของลุงที่ทําความดีมาบ้างแล้วแต่ก็ไม่พบกับตัวซึ่งหลังจากการสอบถามลุงจนทราบว่าลุงต้องการทําความดีเพื่อถวายในหลวงและเพื่อส่วนรวมนะครับเพื่อไม่ให้เดือดร้อนจากการที่น้ําท่วมผิวจราจร จนเกิดอุบัติเหตุโดยประหลัดจังหวัดละนองได้มอบเงินส่วนตัวให้กับลุงจำนวนหนึ่งนะครับพอทราบว่าลุงต้องใช้เงินตัวเองในการซื้อถุงดำมาเก็บขยะทุกวันพร้อมทั้งให้กำลังใจกับลุงนาลงบุญยังนะครับที่ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนแม้บางครั้งจะมีคนที่ไม่ทราบมองว่าลุงเป็นคนบ้าที่เดินเก็บขยะซึ่งลุงก็บอกนะครับว่าอยู่บ้านเฉยๆก็ได้หลังจากการกีดยางเสร็จแต่ว่าลุงเนี่ยอยากทำความดีนะครับ คุณฝังครับเม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างมากกับคุณรุงนาลงบุญยังชายวัยเจปีกับการที่เดินเก็บขยะกลางถนนทุกวันที่ทําความดีเพื่อส่วนรวมรวมถึงทาความดีเพื่อถวายในหลวงด้วยนะครับแต่ว่าลุงอายุก็มากแล้วก็อยากฝากให้ลุงเนี่ยได้ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเพื่อจะได้ทําประโยชน์เพื่อสนงคมได้อีกต่อๆไปนะครับ คุณฝางครับและนี่คืออีกหนึ่งคนทําดีที่นํามาบอกต่อบอกเล่าในเรื่องของคนอาสาในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวของภารกิจจิตอาสานะครับวันนี้มีเรื่องราวของการบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตรแปิบสีพรรษาของโรงพยาบาลศิริราชของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เตรียมไว้ในช่วงหน้ากับภารกิจจิตอาสาครับ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 กลับมากับช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ฟังกับช่วงภารกิจจิตอาสานะครับช่วงสุดท้ายวันนี้นะครับภารกิจอาสานําเรื่องราวของการบริจาคสมทบทุนการก่อสร้างอาคารนาวมินทรบพิษแปดสิบพันสามาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับโดยเมื่อวันที่31พฤษภาคมสอ6 2นสะครับสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร rat ร, ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดําเนินทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดหาทุนอาคารนาวมินทราบพิษแปดสิบพันสาครั้งที่ ทับสองณคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตรแปพรรษาโดยอธิบดีกรมสารนิเทศเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการประชาสัมพันธ์สรุปได้ดังนี้นะครับที่ประชุมได้ทราบว่าคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดําเนินการสร้างอาคารนวมินทรบพิตรแปพรรษาเพื่อทดแทนกลุ่ม อาคารเดิมจํานวน3หลังได้แก่ตึกหาริจันทร์ปาวาตึกภอบนายแพทย์สุพัฒนารเบียบตึกเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมซึ่งมีอายุการใช้งานนานมากกว่า50ปีรวมทั้งปรับปรุงทางสัญจรและการจราจรในโรงพยาบาลศิริราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวาระกาศมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเจรอบแปพรรษา และเพื่อให้โรงพยาบาลเิรีลาชมีอาคารที่เป็นศูนย์กลางตรวจโรคเฉพาะทางซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริการได้นะครับอาคารนวมินทร บ, บพิธ 84,000 สาเป็นอาคารสูง25ชั้นชั้นพื้นดิน1ชั้นชั้นใต้ดิน2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 67,551 ตารางเมตรมีการแบ่งตามสัดส่วนลักษณะงานเป็น3ส่วนได้แก่งานบริการผู้ป่วยนอกงานบริการผู้ป่วยในและงานบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจห้องพิเศษนะครับด้วยขณะนี้อาคารนวมินทร บ, บพิธ 84พรษาดำเนินการไปได้ในภาพรวมรายละ91และอยู่ระหว่างการตกแต่งภายในการวางระบบแก๊สทางการแพทย์ภายในอาคารตลอดจนงานสถาปัตยกรรมและจะสามารถให้บริการในระยะแรกในเดือนมิถุนายน2562 ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของการรักษาได้ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลยังมีการเปิดรับบริจาคเพื่อสนับสนุนก่อสร้างอาคารนวมินทร บ, บพิธ8 4พรรษาและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นะครับ w w w s i m a h i d o n a c t h นะครับหรือติดต่อไปที่โรงพยาบาลศิริราชได้นะครับขอบคุณที่มาด้วยนะครับจากกองงานสื่อสารมวลชนกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณฝางครับ อย่าลืมนะครับไปช่วยสมทบทุนก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิธ 84,000 สาที่คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาล น, นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์รวมถึงการก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จ 100% ด้วยนะครับคุณฟังครับและเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการสุขอาสาครบทั้ง3ช่วงรายการทั้งคิดอาสาคนอาสารวมถึงภารกิจจิตอาสา ที่นำมาบอกมาชงผู้ฟังไปร่วมทําบุญกับการสมทบทุนในการสร้างอาคารนวมินทรบพิธ8 4พร0สาโรงพยาบาลศิริราชนะครับคุณฟังครับสําหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกำลังพบกับรายการสุขอาสาได้ใหม่ทุกวันสุขแบบนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ